พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ลานำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าดูแบบผู้มีธรรมวันนี้ก็มีกระถิงนสามมคคีศรัทธาญาติโยมสมทบเข้ามา ือรวบรว ม, รวมทอดกรถินวันที่7ตุลา60ร่วมท่วมกรถินสามักคีสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์พระพธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญนัรสปันโนหกพกองไอ้สักสองกองหบาทสองกองนะ 6,000 บาทกองละ3 0 0พันกระถูกรตลูกหลานนะนางสาว ณพัฒนวงศสมบัตินายประเสริฐวงศสมบัตินายสุวิทย์วงศสมบัติพร้อมญาติมิตรอุทิศให้นายน้อยวงศสมบัตินางชาติวงศสมบัติพร้อมญาติมิตรที่หลวงรับอันนี้จะจองกระถิน ว, วัดวัดป่าบ้านตากอีกเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจดีหลวงตามหาบัวผ่านหลวงพ่อ อินถวายวัดปานาคำน้อยนอสอนิตยาพร อ, อุทิตแด่พ่อพ่อเรียนหนึ่งกองออวันนี้หลวงพ่อได้สามกองนะได้เก้าพันแล้วนีนะนตู้นะให้ได้บนหลายๆ ล, ลูกหลานทุกครูทุกค น, กคนร่วมสมทบเจทีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาวันที่ เตุลาคมพุทธศักราช2560วันออกพรรษาเป็นวันที่ห้านะออกพรรษาในวันที่ห้าที่หที่เจ็ดก็ใช่ละเป็นวันทอดวันทอดวันกทีวันออกพรรษาวันที่ห้าปีนี่ที่ห้าตุลา แล้วก็ถิ่นวัดของเรานะท่นี้นะประกาศเป็นทางการนะวันนี้นะต ก, กรประกาศประกาศเพียงประกาศให้เราผรูร้รับทราบแต่ข่าวนี้เป็นเป็นประกาศออกมาเป็นหมายกําหนดออกมานะเรียกว่าหมายกำหนดออกมานะ เป็นวันที่15ตุลาคมฟังนะป่านี้นะคณะทายาทโยมลูกหลานกรถินวัดของเราปีนี้เป็นกรถินพระราชทานเป็นกรถินเหมือนกับปีก่อนปีก่อนไม่ใช่ปีที่แล้วนะปีก่อนที่พระ อ, องค์ท่านมาทอดปีนี้ก็เหมือนกับปีนั้นปีพระ อ, องค์ท่าน เสด็จมาทอดกฐถินที่วัดเรานะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระพระวระราชาที่นัดดา ม, มาศเสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐถินณนะวัดป่านาคำน้อยตำบลบัานกล้องอำเภอนายูจังหวัดอุดอรธานีอาทิตย์ที่สิบห้า ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา15ศูนย์ูนย์นอนี้เป็นแจ้งข่าวการกุศลนะก็วันนี้เป็นวันที่12วันที่12กันยายนพุทธศักราช2560นอีกเอกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ที่ยังไงก็ให้ครูบาทั้งหลาย ปรึกษาปารบกันเป็นวางแผนงานว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ควรจะปรับที่ตรงไหนที่เป็นที่รับแขกรับคนรับรถอันนี้ก็ช่วยๆกันคิดเนอะพี่น้องประชาชนเป็นรับว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่จะหาได้ที่ไหน คนโบราณเขาบอกว่าช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเนี่ยถาพระองค์เสเดตไปนะัสถานที่ใดถนน้นทางรู้สึกจะราบรืราบเรีย บ, ยบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านเสดดตประทับที่ภูผานราชนิเวศถนนแถบสกล น, นครแถบมาอุดร พระ อ, องค์จะเสด็จไปที่ไหนถนนดีไปหมดนี่แหละอันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านได้มาเสด็จมาในท้องถิ่นของพวกเราก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งในคราวนี้ครั้งนี้ก็นั่นแนะ่ะพระ อ, องค์จะเสด็จนะ่ะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะ่ะเตรียมพร้อมนะแล้วก็วันที่ ทราบว่าวันที่วันที่วันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดที่จะทอดกรถินที่วัดป่าบ้านตาดคงจะเป็นน้องสาวของพระ อ, องค์ท่านของสาวพระ อ, องค์สมหม่อมหลวงสรารีกิกติยากรจะมาร่วมสมทบมาร่วมทอดกรถินที่วัดป่าบ้านตาด ท่านก็จะมาน่ น, นะมาร่วมสร้างพระจีดีพร้อมพระองค์พวกกับพวกเราท่านทั้งหลายน่ น, นะท่านกอยากจะได้บุญได้กุศลสร้างพระจีดีขององค์หลวงตาเพราะนั้นถือว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งวันที่เจ็ดนะตุลานะที่หลวงพ่อได้ทราบมานะพระ อ, องค์จะมางานกระถินแล้วก็คงจะเป็นพระองค์นะ เป็นผู้กล่าวคำถวายผาพระกถิ่นที่วัดป่าบ้านตาดหมอบให้พระองค์ท่านเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นสิริเป็นมงค ล, ลก่อนนานี้ก็นน่ทุนก็หมอมเป็นผู้วางจีลาเลิกที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็กำลังเทฐานฟังๆดูแล้วโอ้ หลายร้อยฐานเหมือนกันนะียววันที่15้าที่จะถึงเียวจะเทฐานใหญ่งานกห็หลุดหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเราก็ได้เซ็นสัญญากันแต่วันที่17เจมิถุนาส อ, สองอาคารคือพระเจดีย์สูง60เมตรกับพระวิหารส อ, สองหลังสองอย่างเซ็นสัญญาไป 4ี่เก้าสิบล้านสองหลังนะแต่ยังเหลือ พ, พิพิธภัณฑ์ส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญานี่แหละกระถินกรถินวันที่เจ็ดเสร็จแล้วนะก็คงจะเริ่มละท เ, เริ่มจะวางแผนกันยังไงเราจะเอาบริษัทบริษัทเก่าไหมเพราะว่ามันเป็นคนละ เป็นคนละอย่างกันทำบริษัทเก่าต้องการอยากจะทําให้เป็นกลุ่มเดียวกันก็ดีเพราะว่าจะได้ให้เป็นเสร็จกลุ่มเดียวกันท้าว่างงานงานล้นมือบริษัทเก่างานลดมื อ, มอไม่สามารถที่จะทำได้มันช้านะกระวนจะเอาบริษัทอื่นนะเข้ามาร่วมเนะพราะว่าพิธธพิธภัณฑ์ก่อติ ด, ต, ดติดกันนันะ่นแหละตแต่ว่าตอกเสาเข็มหมดแล้นะ ตอกเสาเข็มที่แรกทีแรกงบงดทั้งสามอาคารทั้งพระเจดีย์ทั้งพระวิหารทั้งพิ พ, ธพิธภัณฑ์เสาเข็มทั้งหมดพ2 5 5ห้าต้นเสาเข็มนะโอ้ยาวเหยียดนะกว้างเสาเข็มยาวเท่าไหร่เสาเข็มยาวสุด21เมตรต่ำสุดไม่ต่ำกว่า1ิ18เมตรนะ สัมต่ำสุดนะแล้วก็ใช้เงินเท่าไรใช้เงินทั้งหมดกะว่าที่แรก32าล้านเฉพาะเสาเข็มนะแต่พอทำจริงได้29ล้านกว่ากว่าพอมันเสาสั้นก็มีนี่นะอันนี้ก็คือตอกลงไปพื้นแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้กำลังตัดเสาเข็มกำลังจะหลอฐานเจดีย์ของหลวงตา ในกราวันที่เจ็ดเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเป็นการเป็นการร่วมกันทอดผ้าปกถิ่นเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ยังขาดอยู่แต่ก็คณะกรรมการที่ดำเนินงานถามถามคอขโงเขาก็ไม่หนักใจแต่หลวงพ่อเองเป็นผู้สนับสนุนนะแต่หลวงพ่อใจเป็น หลวงพ่อสุดใจเป็ น, ป, นประธานการดำเนินพระท่านเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็มีคณะสัทา ย, ยาญาติโยมวัดบ้านตาท น, นานาตโยมเก่าแก่จะช่ว ย, วยกันแต่หลวงพ่อเองเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกับบริษัทห้างร้านพ่อแม่พี่น้องของเรา มีกิจการงานเราก็ในฐานะ้ลูกก็มีหุ้นส่วนมีหุ้น เ, เราก็สนับส น, นุนลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อเองไม่ได้ไปก้าวกายแต่เป็นหน้าที่ถึงจะไม่ใช่หน้าไม่ใช่เป็นผู้ก้าวกายแต่นี่คือหน้าที่หน้าที่คืออะไรหน้าที่คือเราทนานะเป็นลูกถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เราได้รับธรรมะรมคำสอนจากท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราน้อมน้อมยอมรับเคารพนับถือในทมคำสอนถือว่าท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่บัดนี้ท่านได้จุตินิพพานไปแล้วตั้งแต่ปี 5-3-5-4 เดี๋ยวนี้ปี60เป็นเวลา6กปีกว่า แต่พวกเราในฐานะลูกลูกห ล, ล, ลานควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาอย่างไรถึงจะสร้างที่ไหนก็ไปสร้างที่อื่นไม่ใช่สร้างที่วัดป่าบ้านตาดัดควรจะสร้างที่วัดป่าบ้านตาดแต่จะมาสร้างที่วัดปา่านาคาน้อยเจดีย์รงตาก็เจียงยูแต่ว่าถึงยังไงอย่างที่ประเทศอินเดียนถึงจะไปสร้างที่ไหน กระรงที่พุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตัดสรนะุน่ะถึงอย่างนั้นจุดนั้นก็สําคัญกว่าที่ไปสร้างที่ประเทศพามา่าสีลังกาที่ไหนๆเพราะ้ได้เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสร้คนก็หลังไหลไปจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันถึงจะสร้างที่ไหนๆแต่ตั้งชื่อว่าเจดีย์ของหลวงตาจริงอยู่แต่กระึงอย่างไง ก็ไม่ศักศิธิ์ไม่เป็นที่ยอมรับตรงที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเป็นบ้านเกิดของท่านท่านเกิดที่นั่นท่านอยู่ที่นั่นท่านไม่เคยจำพรรษาที่อื่นเลยตั้งแต่ท่านจำพรรษาตั้งแต่ปี2498่าที่ท่านมาอยู่ที่นั่น 989.9 สิบแเจนสองสอ ห้าสบสามห้าสิบสามห้าสิบสี่เป็นเวลากี่ปีล้วลูกหลานว่านะ น, นั่นนะพวกเราจะสร้างเีดีพวิหารพิพิธภัณฑ์ขึ้นอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่เราก็ไม่ได้รบ ก, กวนวัดป่าบ้านตาดนะวัดป่าบ้านตาดก็มีขอบมีกำแพงร้อมรอบแต่นี้เราออกมาสร้างข้างนอกเพื่อไม่ให้รบ ก, กวน สถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงตาเนี่ยสอบความสงบสงัดอยู่แล้วนะแต่เพอเพอ เ, เนี่ยยังละแวกนั้นยังส้าลาเดีวบ้านอาจจะอยู่ใกล้วัดต่อไปภายภาคหน้านะพะว่าไม่ว่าวัดไหนๆล้ตะกอนกับเป็นวัดปาวัดปาห่างไกลแต่มาต่อมากับพี่น้องประชาชนมันหมดที่อยู่ข ย, ยับเข้าไป ล, อลอ้อมรอบพ้นที่สุดคนวัดอยู่ในกลางเมืองเลีเดียไม่ใช่วัดป่าเลยเป็นวัดบ้านไปเพราะอะไรเพราะคู่คนมันมากนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนการหลวงพ่อดูแต่ถึงยังไงที่พิพิธภัณฑ์นว่าห่างจากหน้าวัดไกลพอสมควรขนาดทํางานยังไม่ได้ยินนะลูกหลานเขาไปข้างในนะเสียงรถยังดังกว่าเสียงรถข้างนอกยังดังกว่าที่เสียงทํางานของของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ที่ทำงานในพระเจดีนี่แหละอันนี้ก็เล่ า, ลาให้ฟังเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปภายภาคหน้านะการทำงานเป็นยังไงการดำเนินงานเป็นยังไงผู้เกี่ยวข้องเป็นยังไงให้ลูกหลานได้ฟังนะเพื่อเป็นการศึกษานี่แหละอันนี้ก็เรื่องการเรื่องงานการที่เรื่องการเรื่องงานอย่างวัดของเรา ก็ที่จะมีการทอดกรถินอย่างที่ว่านะั้นจะต้องปรึกษาปารลบกันนะพระเนนลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะ้ช่วยๆกันคิดแต่หลวงพ่อมีแต่เป็นผู้ฟังพวกท่านทั้งหลายคิดได้ยังไงทําได้ยังไงแล้วกำบอกกล่าวหลวงพ่อจะเป็นผู้ฟังแล้วก็อ้อมวยอวยตามในทางที่มันถูกต้องเป็นธรรมแต่ถ้าว่าจึงไหนก็ตามมันเกินไปหรือไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อจะเบล็กนะเบลกนะเพราะเหตุไรเพราะหลูกพ่อเป็นเจ้าของนะถ้ามันเสียหายมันเสียหายบริษัทเสียหายหลวงพ่อนะหะวงพ่อมองดูแล้วอื้ออันนี้ได้ใช่ได้ไปได้หลวงพ่อก็จะเอาหนวยอวยตามถ้าตัวไหนมันคิดผิดขัดขืนตอกกระเบียบหลักธรรมวินัยหลวงพ่อเ อ, อย่ยหยานะลูกหลานนะจุดนี้นะไม่ได้ไม่ถูกต้อง หลวงพ่อหนะ่ศึกษาม่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจุดนี้เกินไปใะแล้วหยุดนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็จะบอกจะกล่าวนะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรเพราะลูกหลานทุกคนก็ได้ายในการศึกษาไยในการเรียนรู้สนใจเรื่องจิตตภาวนาภาคปฏิบัติอยู่แล้วนะอันไหนมันถูกต้องอันไหนมันเป็นธรรมก็รู้กันอยูนะ่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ การปรึกษากันค่ะนั่นแหละให้ปรึกษากันโดยทำหลวงพ่อเนี่ยเอาพุทธภาษิตหลวงพ่อไม่เคยูดอ้างพุทธภาษิตนะมีแต่พูดให้ฟังแปลและเสร็จเรียบร้อยแต่หลวงพ่อจะอ้างให้ฟังนะั่นท่านว่ามันตีสุอกุตูหรังมันตีสุอกุตูหะลังยามปรึกษา ย่อมไม่ต้องการคนพูดพร่ำ เ, เวลาปรึกษางานการงานนต้องคิดดูให้ดีซะก่อนพูดแต่เฉพาะคำจําเป็นไม่ใช่ว่าพร่ำไปเรื่อยจนไม่รู้จะจับว่าจุดไหนมาเป็นการมาเป็นงานถ้าจะห้ามหรือก็เป็นผู้ใหญ่ เ, เป็นผู้ให ญ, เใหญ่เป็นหัวหน้า เป็นประธานแต่เมา่น้ำลายตัวเองอันนี้ก็ไม่ถูกเนี่ยนี่แหละยามปรึกษายอ่อไม่ต้องการคนพูดพร่ำอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เป็นพุทธภาษิตนะเป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าอีกแต่พระองค์บอกอีกตัดอีกว่านะแม้คำพูดดีก็ไม่ควรพูด ผิดให้ผิดกาลเทศะนะอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะแม้คำพูดดีก็ไม่ควรพูดให้ผิดกาลเทศะนะถ้าเป็นบาลีออกมากว่าจาจาปมุตเจสุหลังนาติเวลังเป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีนะ แปลว่านยแม้คำพูดดีก็ไม่ควรพูดให้ผิดกาลเทศะถ้าไปสอนคนให้รักษาศีลภาวนาแต่ไปสอนในวงขี้เล่านะเผือเผือก็จะตกปากเอาเพราะอะไรมันผิดการสถานที่นะนี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้มันพระพุทธเจ้าท่านที่ตัดตราดไว้แล้ะเป็นอ ม, นอมาตะาาวายาทั้งหมด แล้วก็ท่านพูดทีว่าคําพูดที่ดีควรพูดคําพูดคําพูดที่ดีควรพูดคําพูดที่ชั่วไม่ควรพูดอันนี้ก็ท่านก็บอกสรุปแล้วก็คือให้พูดแต่เรื่องที่มันดีเรื่องที่มันเลวอย่าพูดก็เป็นบาลีอีกว่าวาจังมุ จยยะกันยะกันยาณีปาปิกันจะนะโมจะเยเนี่ยอันนี้เป็นภาษาบาลนะีนแปลออกมาก็ว่าคำพูดที่ดีควรพูดคำพูดที่ชั่วไม่ควรพูดสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้สอนต้นไม้ภูผากุฏิศาลาเสาศาลาไปใช่ท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักการสถานที่การสถานที่บุคคลควรปฏิบัติตนอย่างไรควรทำตนอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมเราอยู่ในสถานะไหน อย่างหลวงพ่ออยู่ในสถานะที่เป็นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อควรจะพูดอย่างไรหลวงพ่อก็คิดแล้วคำนวณอีกเหมือนกันนะคณะ ท, ะทาาศไทยญาติโยมลูกหลานนะถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดตอนเช้าหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดตอนไหนอีกพวกเราก็ ก, กระจายกันบางทีเจ็ดวันจะได้มารวมมารวมกันไหว้พระตอนเย็นจากนั้นก็แยกย้ายกันอี แต่พวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการถ่ายทอดถ่ายเทแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าที่หลวงพ่อได้ศึกษามาเนี่ยกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เป็นสมณี น, นอายุถึง1112อ็ดสิอปีจนอายุถึง30มกว่าปีสรุปแล้วหลวงพ่อนับนับดูแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์ยี่สิบกว่าปี ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในคดีโลกนะก็คงไม่แพ้กันแต่หลวงพ่อนี่ศึกษาในคดีธรรมแปบลบว่าเป็นโรงเรียนกินนอนน่ยแหละทำไมโรงเรียนกินนอนปวดเข้ามาก็อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินยังไงเห็นกับกริยาทั้งหมดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องคุลปูร่า จากน่านก็ไปอยู่กับองค์หลวงตาอีกท่านก็สอนหมดวิธีการดาเนินยังไงเกี่ยวกับศีลและวิในเกี่ยวกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องควรปฏิบัติตนอย่างไรพระเนนท่านสอนหมดไม่ใช่มาสอนแบบธรรมดาเนอะไม่ใช่แบบสอนแบบเหมือนกับนักเรียนสอนธรรมดาหลวงตาสอนครูบาอาจารย์สอนพระกรรมฐานสอน ชี้นิ้วเลยนะถ้าว่าทําตนไม่ดีเกเรไม่ยอมฟังชี้นิ้วเลยจะฟังหรือไม่ฟัง้งไม่ฟังอย่าอยู่นะนี้นะหนักวัดเราไม่ต้องการนะคนที่ไม่พระองค์ไหนที่ไม่ต้องการไม่ไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจอยู่ทำไมอยู่ให้หนักวัดเราขี้เกียจ ไม่อยากจะเห็นอีกต่างหากอย่ามาใกล้นะหนีนี่แหละคาพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนลูกศิษย์ลูกหานะไม่ใช่แบบมีน้ำอ้อยน้ำตาลนะก็น่ทททาจัททายาตโยมนะเพราะนั้นหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านคาว่าคาว่าน้ำอ้อยน้ำตาลหายากมีแต่เปี้ยงเลย ตรงไปตรงมาเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อไปเห็นเกือบทุกองค์มีตะดุทั้งนั้นเพราะท่าได้รับได้รับคำมา ไ, าได้รับการเสี่ยมสอนมาแค่บอกจริงจังจะเป็นละแหละเพราะนั้นเวลากูบาจารย์อย่างหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันถ้าพูดโอ้ธรรมดาเนี่ยพูดไพเะ พพิงเนะ่เวลาท่านดูดโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาอยากเป็นหลวงปู่ิิงทองก็เหมือนกันหลวงปู่จวนครูบาอาจารย์หลวงปู่เขาก็เถอนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังอายุถึงแปดสิบแปดสิบกว่าหนะลวงพ่อเข้ามาขาวนะั้นได้มาที่ทำกองเพนมายัางสวดปฏิภพัพปฏิโมกที่ทำกองเพนอยู่เป็นพรานน้อยมายบอายุย4สปีนะ 4, สนะี่พรรษาสี่ส มาเอารมาเอาพรรษาที่วัดป่าพรรษาพรรษาที่ห้าใช่หมาก็มากราบครูบาอาจารย์มาก็แวะทำกองเพลงขึ้นไปก็ไปอยู่กัองค์หลวงปู่ท่านก็อสอนดีแต่มันก็ไม่ค่อยพูดหรอกท่านอายุมากแล้วแนะนําสั่งสอนพูดน้อยแต่พระเนนก็รักเคารพแต่วันหนึ่งพระเนนกำลังฉันยางหัน พอไปฉันเข้าไปไปหัวเลาะท่นะนอองค์หนึ่งไปล่อให้องค์หนึ่งฉันอของเปรี้ยวๆนะเป็นน้ำเปรี้ยวๆมันทั้งเปรี้ยวทั้งเข้มด้วยองนั้นกินก็้าไปโอ้โหมันจากนั้นองค์ที่เี่กของหัวเลาะใช่ไหมพอหัวเลาะหมูออกหัวเลาะ เ, เ, เรื่องอะไรพมมากันเลยหัวเลาะกันโห อ, อายุแปดสิบปีเก้าเก้าแปดสิบกว่าปีรวมปู่เ้านะ ไม่ใช่หลวงปู่เขาธรรมดาเลยเหมือนราชสีเลยแต่เหมือนกับเสือโคร่งกลางเล็บ เ, เลยละ่ะมองครั้งที่หนึ่งกยังหัวเลาะมองครั้งที่สองมองครั้งที่สามเปี่ยงเลยผู้เฒ่านะโอ้หลวงพ่อยังจําไม่ลืมทางทุกวันในลูกหลานแต่แต่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้สิบสองจนถึงสองพันห้าร้อยหกสิบปีเนี่ยหลวงพ่อยังจำไม่ลืม โอ้โหหนกลัวนะที่ท่านตุนะตุเป็นธรรมนะฮะพระเรานี่มันทาไมมันหลงมันลืมตัวขนาดนี้เรู้ล่ไหมกินข้าวของชาวบ้านเขานะ่ะมันกินก้อนเล็กแดงนะกินไม่พิจารณาเลยไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลยฮะก่อนที่เขาจะมาใส่บาตรเป็นยังไงพวกนี้มันกินแบบลืมตัวเนะี่ยกินแบบหัวเลาะแบบกรเลอมันไม่มีศีลไม่ธรรมในจิตใจเลยฮะ พระเหล่านี่ท่านพูดลักษณะอย่างนี้ละวันนั้นนะฮอดุบเข้าไปกระทิงว่าพระมันเอาเวจีนรกทั้งกับว่าไปเลยหวพระาทาั้งหลายเด็ที่นั่งอยู่เงียบเก็บเลยแนั้นเนละหัวเลาะไม่ออกเลยหลวงพ่อยังเห็นน่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนี่แหละครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน ท, ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวกันท่านเอาความจริงมาพูดมันก็จริงอย่างนั้นจริงๆริง เ, เพราะว่าจะตุปัจจัยที่เขาถวายมาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อได้หาได้มาโดยเป็นธรรมเขามาให้ด้วยศรัทธ า, าก่อนที่จะให้ก็จบแล้วจบอีกอปราถนาแล้วปราถนาอีกอุทิศส่วนกุศลอีกต่างหากาบางทีของที่มาใส่บาตรไม่กล้ากินไม่กล้าทานไม่กล้ากินอีกต่างหากมันดีเอามาถวายพระ ครูบาอาจารย์จัดสรรมาแต่เราพวกเราเป็นพระนะมาอยู่มาฉันแล้วลืมตัวเออก็ะเลิกเอเอเหมือนกับอยู่ในวงสุราเออมันถูกไหมนะ่ะมันเข้ากันได้ไหมมันจริงไยเรามาพิจารณาเมื่อไหร่ก็มันจริงจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงปู่ที่ท่านดุนะแต่หลวงตาเนะี่ยไม่มีใครหรอกต่างคนต่างเงียบ เวลาฉันจันยังอันจังหันไม่มีหรอกเขาว่าคุยกันนะต่างองค์ต่างกรมหน้าเพอเพอท่านยังมองอีกเวลาท่านฉันจังหันน่ยท่านยังเหลือบในวัดของเรายัางมีนะเวลาฉันยังหันน่ะตาเธอออกไปข้างนอกนะอาตาเม่อออกไปข้างนอกหลวงตาเนี่ยพระผู้ใหญ่ในวัดป่าบ้านตาเเวลาฉันยังหันน่ยตาเม่อออกไปข้างนอกไม่ได้หลวงตาแผบดูฮนะ มันทำไมเวลาฉันอย่างหาันมันตาลอยตาเมอออกไปข้างนอกพอลินล้นลิ้นรถเข้าไปแตะลิน้นท่ตะลิน้นท่ะมันมันตาลอยเลยใช่ไหมมันทำไมฉันแบบไม่มีสติ เ, เวลาฉันต้องท้องรวมในบาดเจ็บของโรอไปกินทานอาหารแบบไม่มีสติได้ยังไงต้องมีสติ ในการฉันลวงตาจะดุทันทีจะวางสิ่งของอะไรก้องแกงไม่ได้ถ้าเม็ดมะขามลงในกระโถั่นี่ยแป้งทีดหนึ่งท่านก็ไม่ว่าอะไรพราะมันแป้งครั้งที่สองที่สามเท่า น, นั้นนะหูท่านได้ยินไหมมันเสียงนะ่นได้ยินไหมขนาดเราอยู่ที่นี่เรายังได้ยินแสดงว่ามันไม่มีสติใช่ไหมการฉันไม่มีสติเลยใช่หมการเสียงมันดังรู้ไหม จากนั้นมาเงียบเก็บถ้าทำยังไงจึงจะไม่ให้มันดังไม่มีวิธีการอย่างอื่นละใบไม้ใบตองสิ่งที่มันนั้นก็เทน้ำลงไปก่อนก็ได้ไม่กระโทนเพื่อไม่ให้มันดังนะทำไมมันคิดไม่ได้ล่ะอย่างชันอาหารก็เหมือนกันพอฉันผักสันถั่วันอะไร ดังกอบแกบกอบแกบแกวบกบัก บ, ก บ, กบควบกับไม่ได้มันทําไมหูกับปากมันเคี้ยวอาหารมันไม่ได้ยินเหรอหูมันอยู่ใกล้ๆปากตัวเองแต่เราอยู่ไกลเรายังได้ยินเลแสดง ว, ว่ามันพอลถเตะทินเท่านั้นมันหูดับไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ สรุปแล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่ทุกอริยบท ว, ว่าทุกอย่างคือไม่ให้ลืมตัวพูดง่ายๆแต่ท่านก็สอนอีกนะอย่างหลวงปู่ล่าหลวงปู่ตามหาบัวนะท่านสอนอีกเวลาเคี้ยวถั่วไม่ให้มันดังทำยังไงท่านก็สอนอีกเวลาเคี้ยวของที่มันจะดังก็เราก็รู้ว่าเออเสียงมันดัง เวลาเราเอาเข้าปากแล้วก็บดเคี้ยวบดแรงๆแห่ข้าบก็ไปเลยเคี้ยวบดแรงๆพอเรียบบดแรงมันแตกมาต่อมาก็คอยเคี้ยวอีกต่อมากี้ยวอี ก, อ ม, ก, ออกมันก็ไม่ดังฮถ้ากัยัดเข้าไปเลยเคี้ยวกวบกบมันกระดังเลยิ <c oughs> ท่านสอนวิธีการอีกต่างหากเนี่ยนั่นแหละอยู่กับอยู่กับพ่อกอกับครูนะ่ะเออ ได้ยินได้ยินได้สอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ยทัดสอนลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้เล่าเให้ลูกหลานพระเนรจตายาโยมได้ยินได้ฟังพระกรรมฐานท่านสอนกันอย่างไรแต่ในพระวินัยก็มีอยู่แล้วล่ะนะในพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังชูดชุดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปาก เราจะไม่ฉันกัดคําข้าวเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากเมื่อคําข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดในพระวินัยสวดทกสิบห้าคำนะอันนี้สวดพระปฏิโมกข์เนะี่ยแหละศีลของพระเนี่ไม่ได้อยู่กยายนะมันอยู่กับเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติของพวกเรา ท, ทุกท่านนะไอ้สมชายมันร้องขึ้นมามันร้องทําไมวันนี้วะทาร้อนร้องผิดปกติวะเอาลับพร น, นิสเนเะน